คำถามมียุทธศาสตรพ์พิชิตกามไหมครับหลวงพ่อตอบอืมเราต้องแยกเราต้องพิจารณาดูว่ากิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือว่าเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่กายเราก็เคลี้นกายเกิดขึ้นที่จิตเราก็เคลี้ยนจิตต้องหัดวิเคราะห์หัดพิจารณาให้ละเอียดว่า ขณะกิเลสเกิดขึ้นที่กายนั้นจิตปรุงแต่งร่วมหรือไม่เหมือนกับเรารับประทานอาหารกายของเราต้องการอาหารหรือจิตของเราเกิดการปรุงแต่งร่วมหรือไม่เราดับความอยากละความอยากและพยายามเขี่ยนกายกิเลสเกิดขึ้นที่กายเราก็เคี่ยนกายกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเราก็เคี่ยนจิต เราต้องทำความเข้าใจทั้งกายทั้งจิตเพราะว่าเขาอาศัยกันอยู่ทำความเข้าใจกับสมมติตรงนี้ให้ละเอียดแล้วไม่ให้จิตของเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็จะอยู่ดีมีความสุขคาถามนั่งสมาธิเดินลมปรานหรือเปล่าการนั่งสมาธิเดินลมปรานเป็นเรื่องจริงเมื่อก่อนผมโง่ทื่อ การนั่งสมาธิทำให้ฉลาดอย่างเช่นเมื่อก่อนดูหนังก็ดูไปเรื่อยตอนนี้ดูหนังแต่ละช็อตต้องคิดทำไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้ถ้าเราเป็นตัวละครนี้จะทำไงต่อส่วนการเดินลมปราณ น, น่าจะเป็นแขนงหนึ่งของการนั่งสมาธิและรักษากายได้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะหลุงพ่อตอบ การเดินลมปรานหรือการเจริญอานาปานาสติก็เป็นการเดินลมปลานเหมือนกันเราต้องพยายามในการที่เราเจริญสติเพื่อรู้กายรู้ลมหายใจก็เพื่อที่จะเข้าไปรู้เท่าทันรู้อาการของจิตอาการของแผนห้าที่เขาเกิดเกิดดับๆว่าเข้าไปร่วมกันได้อย่างไรเข้าไปหลงกันได้อย่างไร ถึงเราจะเจริญสติอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจหรือว่าอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายจุดมุ่งหมายของการเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปชำระสารสังกิเลสออกจากจิตจับใจของเราให้มันหมดเราต้องพยายามรู้จุดหมายที่เราจะเดินคาถา ม, ถ, ามถ้าเราฝึกแยกสติแบบนี้ก็เป็นศิลปินไม่ได้สิ เพราะว่าการจะเป็นนักวาดรูปต้องสร้างอารมณ์หรือการร้องเพลงก็เหมือนกันเราก็ต้องใส่อารมณ์ไปตามเนื้อร้องต้องคิดว่าเราเป็นอย่างในเนื้อเพลงถึงจะร้องออกมาโดยแสดงให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเนื้อเพลงอย่างที่เรียกกันว่าอินในเนื้อร้องในพระไตรปิฎกกล่าวถึงคติของนักร้องนักแสดงว่าไปไม่ดี พระท่านจึงไม่ร้องเพลงเล่นดนตรีคนถือศีลแปดก็ไม่เช่นกันหลวงพ่อตอบคำถามตรงนี้ที่ท่านไม่ตอบโดยตรงๆเพราะว่าคนถามนั้นยังไม่เข้าใจเพราะว่าคนถามนั้นยังมีความหลงอยู่ถ้าท่านตอบไปก็จะทําให้สุดหนักลงไปอีกถ้าคนรเข้าใจแล้ว จะเล่นดนตรีก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ถ้าเราเข้าใจในวเรื่องจิตถ้าจิตของเราตกกระแสทำทาความเข้าใจสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเล่นสักแต่ว่าฟังเราเล่นด้วยสติเล่นด้วยปัญญาไม่ใช่เล่นด้วยอำนาจของโมหะไม่ใช่ว่าเล่นด้วยอำนาจของความหลงถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้ว มันเล่นได้หมดเหมือนกับเรารับประทานอาหารนั่นแหละเรารับประทานอาหารแม่รับประทานด้วยความอยากแต่เราก็รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เราไม่ยึดติดเราก็เล่นด้วยสติเล่นด้วยปัญญาเล่นด้วยเหตุด้วยผลที่พระพุทธองค์ท่านไม่ได้ตอบตรงนั้นโดยตรงเพราะว่าคนถามคนนั้นยังมีแต่ความหลงอยู่ยังไม่เข้าใจในตรงนี้ ถึงตอบไปก็ไม่เข้าใจท่านก็เลยปฏิเสธไปก็เท่านั้นเองคาถา ม, ถ, ามถ้ามีคนที่คุณรักต้องจากไปจะเสียใจไหมเพราะอะไรถึงเสียใจและเพราะอะไรถึงไม่เสียใจหลวงพ่อตอบมันมีสองระดับตอบได้สองลักษณะถ้าจิตยังปล่อยยังวางไม่ได้ ก็มีการเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาถ้าจิตของเราปล่อยวางได้เราก็จะเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้เองก็จะไม่เสียใจเพราะแม้แต่ร่างกายตัวตนของเราก็จะได้ไปเหมือนกันทีนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เราพยายามหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เราจะไม่ได้ไปกังวล ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่ได้ก็มีความเสียใจเป็นธรรมดาถ้าเรารูจักเดินปัญญาแยกรูปแยกนามรู้จักปรงรู้จักวางได้เราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาความเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นคำถาม ผมเองก็เคยคิดว่าจะฝึกนั่งสมาธิแค่เริ่มก็ไม่ไหวแล้วนั่งสักพักปวดหลังมากนั่งได้ไม่ถึงสิบห้านาทีแล้วอีกอย่างรู้สึกสับสนว่าเวลาภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาไปเพื่ออะไรหรือครับขอโทษที่ต้องถามโ ง, โง่ๆหลวงพ่อตอบอืมไม่โง่หรอกดีแล้วที่รู้จักถาม เราต้องรู้จักการเจริญสติการเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปชำระสะสารจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ถึงเราทำไม่ได้เด็ดขาดเราก็พยายามหมั่นเจริญพรมวิหารให้มากๆถึงว่าระเวลาจิตของเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เองคำถามท ำ, ท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำอย่างไรถึงจะนอนได้วันละ4ถึง5ชั่วโมง เห็นพระท่านหลายรูปนอนวัละสี่ถึงห้าชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงถึงไม่ง่วงตื่นมาก็สดชื่นผมคิดว่าคงเกี่ยวกับเรื่องสติหรือสมาธิช่วยแนะนำหน่อยครับหลวงพ่อตอบอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกฝนสภาพร่างกายของเราอย่าไปหักโหมเราทำไปทีละเล็กทีละน้อย จากน้อยๆไปหามากๆวันนี้เราทำได้เท่านี้วันพรุ่งนี้เราก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆเราขาดตกบกคร่องตรงไหนเราก็แก้ไขตัวเราไม่ใช่ว่าเราจะไปหักโหมเอาเลยทีเดียวเมื่อเราอายุมากขึ้นเราพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะทำได้เองคำถาม ทำอย่างไรถึงจะละความพยาบาทได้อยากรู้วิธีละความพยาบาทให้ได้พยายามหลายต่อหลายครั้งก็ไม่สําเร็จสักทียิ่งถ้าได้เห็นหน้าด้วยรู้สึกคับแคนเป็นทวีคูณอยากหลุดพ้นจังเลยค่ะหลวงพ่อตอบอยากจะหลุดพ้นอยากจะละความพยาบาทได้เราก็ต้องพยายามดําเนินต่อไปตีแล้วล่ะ ที่เรายังรู้ว่าเรายังล้าไม่ได้เรายังมีความพยายามมองโลกในทางที่ดีคิดดีพยายามให้อภัยตัวเองและก็ให้อภัยคนอื่นไปด้วยเราพยายามทําไปเรื่อยๆจากครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ว่าจะให้มันละจะให้มันดับได้เลยทีเดียวเราต้องอาศัยการอาศัยเวลา อาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวขออนุโมทนานสาธุในตรงนี้ด้วยคาถา ม, ถามอยากช่วยให้เพื่อนเลิกเหล้าทํำยังไงดีเวลาชวนเพื่อนเลิกเหล้ามันบอกว่าลงทุนมาเยอะแล้วกินเพื่อผ่อนคลายกินไม่มากแค่เมาจะช่วยชี้โทษยังไงดีครับหลวงพ่อตอบ เราก็ยกให้เป็นวิบากของกรรมเสียเราก็ช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็อย่าไปทุกข์ด้วยอุเบกขาวังเฉยพอเราช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ยกให้เป็นวิบากกรรมอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าไม่ถึงเวลาเขายังคงจะไม่เลิกเมื่อถึงเวลา เขารู้คุณรู้โทษเขาก็คงจะเลิกได้เองคำถามนอนฟังธรรมเหตุใดเวลานอนหลับไปพร้อมกับการฟังเทศแล้วตื่นมาเร็วกว่าปกติแถมไม่เพลียด้วยแต่วันไหนหลับปกติไม่ฟังเทศวันนั้นจึงเพลียๆหลวงพ่อตอบ คือจิตของเราไม่มีความกังวลไม่มีความฟุ้งซ่านจิตของเรามีความสงบในการรับรู้รับฟังจิตของเราก็เลยไม่เพลียกายของเราก็เลยไม่เพลียเวลาตื่นขึ้นมาเหมือนกับเราได้นอนพักหลายชั่วโมงนี่แหละอา น, นิสงของการฟังธรรมถ้าอยากจะให้ดีจริงๆแล้วก็ให้ตั้งสติฟังก็จะได้ประโยชน์ ถ้านอนฟังมิวร์จะเข้าครอบงำง่ายก็จะดับเร็วไวขึ้นแต่ก็ดีเหมือนกันนั่นแหละขอให้เราน้อมไก่น้อมจิตเปล่าเข้ามาก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคำถามจะพ้นทุกได้อย่างไรหลวงพ่อตอบจะพ้นทุกได้เราก็ต้องหมั่นวิเคราะห์หมั่นพิจารณา หาสาเหตุแห่งทุกข์สิถ้าเรารู้จุดรู้สาเหตุแห่งทุกข์เราก็พยายามดับทุกข์สี่ดับทั้งภายนอกทั้งภายในทางสมมติส่วนเรื่องของวิมุตินั้นก็ขึ้นกับความขยันหมั่นเพียรหมั่นชำระสาสางกิเลสหมั่นคลายจิตใจคลายอารมณ์หมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็ชำระกิเลสออกจากจิตของเราให้หมด จิตของเราถึงจะสะอาดถึงบริสุทธิ์มันถึงจะดับทุกข์คนทุกได้เด็ดขาดคำถามศีลก็คือความเป็นปกติอย่างเช่นศีลห้าก็คือคนปกติไม่ควรทำผิดศีลห้าข้อส่วนศีล8ก็คือศีลปกติของคนอยู่ในอุโบสถส่วนพระอริยะเจ้าท่านรักษาศีลหนึ่งข้อ ก็คือรักษาใจของท่านให้เป็นปกติไม่ให้เกิดอาการใดๆหลวงพ่อตอบทีนี้เรารู้จักคำว่าปกติแล้วหรือยังนั่นแหละอะไรคือปกติกายปกติวาจาปกติทีนี้ลึกลงไปจิตของเราปกติไหมต้องให้ครบทั้งสามอย่างนั่นแหละมันถึงจะบริบูรณ์นั่นแหละ ศีนก็คือความปกติสุดยอดของศีนคือความปกตินั่นแหละเราต้องหาศีนให้เจอไม่ใช่ว่าศีนเฉพาะอยู่ในตำราไม่ใช่เฉพาะศีนในความจำเราต้องหาตัวศีนให้เจอคือตัวจิตของเรานั่นแหละรักษาจิตของเรารักษาความปกติให้ได้มันก็จะรวมยอดลงอยู่ที่จิตนั่นแหละคือตัวความปกติ ก็คือบุญนั่นแหละความปกติก็คือสมาธิถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเดินปัญญาละกิเลสได้ก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันแต่ถึงเช้าหรือเร็วก็พยายามรีบเดินเอาแล้วแต่ความขยันห ม, มั่นเพียรของแต่ละบุคคลคำถามถามเรื่องดวงกับพุทธศาสตร์ และเปลี่ยนความเข้าใจครับคือว่าบางท่านมองว่าดวงคือเรื่องของสถิติของพฤติกรรมกับวันเวลาเดือนที่เกิดแต่ในความเห็นของผมแต่เดิมคือผมมองว่าเวลาวันเดือนปีเป็นสมมุติบัญญัติคือหมายความว่าถ้ามนุษย์เรากําหนดให้ยกตัวอย่างนะครับ19วันคือ1เดือนหรือกําหนดว่า5เดือนคือ1ปี ปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไปมันก็ไม่ใช่ปีใหม่ท้ายที่สุดเราสมมติมันขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนับเวลาหรือสื่อสารกันให้เข้าใจเท่านั้นแต่เพราะเรากาหนด12เดือนคือ1ปีก็เลยมีเทศกาลปีใหม่อยากรบกวนวิเคราะห์ให้เห็นด้วยครับว่าดวงที่หมายถึงสถิติเรื่องของเวลาในการเกิดที่สัมพันธ์กับลักษณะนิสยัย มีที่มาเป็นอย่างไรเวลาเกิดตามราศีต่างๆกาหนดพฤติกรรมและลักษณะการเรียนรู้ได้อย่างไรครับหลวงพ่อตอบคนเราถ้าไม่เครารพสมมุติสมมุติก็มุ่นวายเพราะว่าทุกคนอยู่กับสมมุติมันก็ถูกต้องของคุณนั่นแหละดวงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไหมมันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่ แต่มันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้เราก็เลือกเอาส่วนที่จะดับทุกข์ได้เหมือนกับต้นไม้มีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีมีทั้งแก่นแต่ถ้าเอาเปลือกออกต้นไม้จะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องตายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อาศัยกันอยู่แต่เราก็ต้องพิจรารณาหาเหตุหาผลด้วยสติด้วยปัญญาในทางที่ถูกต้อง เราก็จะมองเห็นทางอันประเสริฐเท่านั้นเองพยายามดำเนินไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดหมายปลายทางเราอย่าไปยึดเอาแคบเปลือกแค่กระพีเราพยายามให้เข้าถึงแก่นแก่นก็อยู่ในกายในใจของเรานี่แหละเราพยายามหาให้เจอถ้าเราไม่ได้แก่นเราก็รักษาทั้งเปลือกทั้งกระพี รักษาอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ก็จะทำให้จิตของเราไม่ตกไปสู่ที่ต่ำได้เหมือนกันคำถา ม, ถามผมสงสัยตัวเองหลายทีแล้วว่าทำไมผมคิดจะแก้ปัญหาคิดอะไรไม่ได้คำตอบแต่แล้วมันก็คิดออกและใช้ได้ผลมาหลายๆครั้งตอนที่เข้าห้องน้ำบ้างอาบน้ำบ้างปิ้งขึ้นมา ใช่เลยมันต้องอย่างนี้นี่เล่าถามว่าท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างและอะไรเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้บ้างครับบางท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิคำตอบจะหลั่งไหลออกมาเองบางท่านก็ว่าอยู่ในที่สงบปล่อยจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดบางท่านก็ว่าตอนที่จิตสงบสงบไม่มีอคติ ไม่มีลาเอียงจะปิ้งขึ้นมาหลวงพ่อตอบดีแล้วที่สงสัยตัวเองไม่ไปสงสัยคนอื่นสงสัยตัวเองก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็หาเครื่องตัดสินใยในกายของเราให้เจอคือเราไม่เข้าข้างตัวเองเราไม่เข้าข้างคนอื่นถ้ายัางเข้าข้างตัวเองนี้คำตอบในหลักธรรมจริงๆแล้ว ยังไม่ถูกต้องอาจจะถูกอยู่ในระดับของสมมุติถ้าอยากจะให้ถูกต้องจริงๆคือต้องไม่เข้าข้างตัวเองต้องหาความเป็นกลางของตัวเองหาความว่างให้เจอหาทำเครื่องอยู่หรือว่าความว่างของจิตหรือว่าอริยทรัพย์ก็คือความว่างจิตของเราอยู่ในความว่างนั่นแหละความเป็นกลางหาความเป็นกลางหาความว่างให้เจอ เราก็จะหาคำตอบที่ถูกต้องได้ดีดีแล้วล่ะที่สงสัยตัวเองเราก็แก้ไขตัวเองพยายามแก้ไขจนหายความสงสัยได้เราก็จะมองเห็นทางทะลุปลุกปลงเองคาถามข้อห้ามในการแขวนพระหลวงพ่อตอบเราต้องเข้าใจความหมายวัตถุมงคลหมายถึง สิ่งที่เป็นศิลปมงคลเหมือนกับเรารักเคารพพ่อเคารพแม่เรานั่นแหละแต่ก็เคารพให้ถูกไม่ใช่ว่าเคารพแบบยึดมั่นถือมั่นเอามายึดเป็นขงังเป็นศักดิ์สิทธิ์อันนั้นมันไม่ใช่หนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านมันถึงจะถูกคาถาม มีวิธีดับความเครียดไหมครับเวลาที่ผมเครียดผมจะคิดหรือทำอะไรไม่ค่อยถูกทางเลยเช่นเวลาที่ผมอ่านหนังสือมากๆเวลหลายชั่วโมงมันเครียดหัวเหมือนจะระเบิดและก็ต้องหยุดอ่านใครที่รู้วิธีดับมันช่วยหน่อยครับหลวงพ่อตอบดับความเครียดดับความทุกข์เราก็ศึกษาดูตัวเรา ศึกษาธรรมะเครียดเรื่องอะไรเราก็พยายามวิเคราะห์ดูเหตุจากข้างนอกมาทำให้เครียดหรือเหตุจากข้างในเราก็ต้องหาอุบายกายของเราเครียดหรือว่าจิตของเราเครียดเราต้องหมั่นวิเคราะห์หมั่นพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็รู้จักหาวิธีแก้ไข จากน้อยๆไปหามากๆจนกว่าความเครียดมันจะหายไปเองคําถา ม, ถามเรียนถามผู้ที่รู้เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องหมอดูหรือโหนอะไรทั้งสิ้นแต่พอรองได้ดูและกับการที่ผมได้พิจารณาจึงเชื่อว่าเรื่องการดูหมอน่าจะเป็นเรื่องจริงบวกกับการที่ได้เห็นพระท่านหลายองค์ ที่มีญาณสูงสูงก็สามารถทำนายดวงได้ดูเหตุการ์ต่างๆในอนาคตได้ผมจึงเชื่อสนิทเพราะได้เห็นได้เจอกับตัวประเด็นที่จะถามมีอยู่ว่าหมอดูส่วนใหญ่ทำนายเช่นว่าคนเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้ต้องมีนิสัยอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นที่สำคัญคือผมเชื่อเพราะว่าเขาพูดตรงแล้วอย่างนี้ คนที่ไม่ต้องการให้เป็นไปตามที่ทำนายเป็นไปได้ไหมว่าเราจะบังคับดวงชะตาชีวิตของเราเองได้หลวงพ่อตอบมันไม่จริงเสมอไปอย่าเพิ่งไปเชื่อมันไม่จริงเสมอไปเราต้องหาความเป็นจริงในกายในใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงหาเครื่องตัดสินภายในของเราให้ได้เสียก่อนเราถึงจะรู้ว่า มันจริงหรือมันเท็จเราต้องหาเครื่องตัดสินภายในคือความเป็นกลางความว่างของเราให้เจอเสียก่อนเรายังไม่เข้าถึงความเป็นกลางเราอยังเข้าไม่ถึงความว่างจิตของเรายังเป็นโลกอยู่ยังวิ่งไปกับกระแสะโลกอยู่เราก็ยังจะไม่เข้าใจในชีวิตของเราเราต้องหมาก้นคว้าหาชีวิตภายในของเรา ด้วยการเดินตามทางที่พระพุทธองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้ให้ได้เสียก่อนให้รู้ความจริงตรงนี้เราก็จะมองออกว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรควรเชื่อหรืออะไรไม่ควรเชื่อมันถึงจะถูกต้องไม่ให้เชื่อแบบงมงายแม้ตั้งแต่คำสอนของพระพุทธองค์ไม่ให้เชื่อแบบงมงายท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามเสียก่อน ให้รู้ให้เห็นตามที่ท่านชี้แนะแนวทางเสียก่อนนั่นแหละท่านถึงบอกให้เชื่อคำถามเรื่องแบบนี้มีจริงไหมครับถ้ามีจริงแล้วผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรกำหนดไว้แล้วผมคิดถูกหรือเปล่าหลวงพ่อตอบมันก็มีอยู่ในระดับของโลกิยะมันไม่ใช่หนทางดับทุกข์ มันไม่ใช่หนทางหลุดพ้นมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ใช่หนทางที่แท้จริงหนทางที่แท้จริงก็คือการเจริญสติการทำความเข้าใจการชำระสาสางจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์นั่นแหละคือหนทางที่แท้จริงอันนี้มันยังดับทุกข์ไม่ได้มันยังเป็นวิสัยของปุถุชนอยู่ คำถามจะศึกษาพุทธควรเริ่มจากตรงไหนก่อน 1. ศึกษาพระธรรมคําคสอน 2. ศึกษาเรื่องจิตหลวงพ่อตอบก็เริ่มจากตัวเรานั่นแหละพุทธศาสนาก็คือตัวเราภาษาสมมุตินั้นเป็นแค่ชื่อเฉยๆหรอกศา ส, สนาพุทธนั้นสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตา สอนเรื่องทุกเรื่องดับทุกสอนเรื่องละกิเลสเรามาดูสั้นๆว่าเราละกิเลสได้กี่ตัวกิเลสตัวไหนบ้างที่ละได้กิเลสตัวไหนบ้างที่เกิดขึ้นขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้เราก็พยายามละแล้วก็จเจริญพรมวิหารให้มากๆเมื่ออายุมากขึ้นวิบากกรรมมันเบาบางคลายลงไปเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เอง ขอให้เราสร้างต้นเหตุที่ดีไว้ก่อนขอให้เราเริ่มปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะออกมาดีเองคำถา ม, ถามเวลานั่งสมาธินานๆกายกับจิตมันแยกออกมาได้อย่างไรราจะรู้สึกได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วสามารถเห็นเทวดาหรือพระอริยสงฆ์มีลักษณะอย่างไร หลวงพ่อตอบกายกับจิตมันแยกออกจากกันได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปแยกแยะอะไรคือส่วนรูปธรรมอะไรคือส่วนนามธรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องการแยกรูปแยกนามเราก็จะเข้าใจในเรื่องการแยกกายกับจิตหรือเรียกว่าแยกรูปแยกนามเรารู้ด้วยลักษณะอาการ ด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนารู้ลักษณะอาการว่าอาการของจิตลักษณะของจิตเป็นอย่างนี้ลักษณะของส ม, มุติเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าแยกกายแยกรูปแยกนามที่อยากจะรู้พระอริยะเราก็ต้องทำจิตของเราให้เป็นพระเสียก่อนในเมื่อเรารู้เราแล้วเราก็จะรู้พระอริยะ เราลักิเลสได้แล้วระดับไหนเราก็จะมองเห็นพระได้มากขึ้นอันที่จริงแล้วก็คือการทําจิตของเราให้เป็นพระให้เข้าถึงพระในเมื่อเราเข้าถึงพระตรงนี้แล้วเราก็มองเห็นพระข้างนอกได้โดยปริยาย